วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายนพุทธศักราช อกุศลจิตสุดท้ายนะครับคือโมหะมูลจิต 2 ดวงโมหะมูลจิตนั้นก็แปลความ 2 ดวงก็องค์จะขอนั้นโมหะมูลจิตเข้าใจยาก คำว่าเข้าถึงสภาวะแปลว่าท่านฟังเรื่องนี้แล้วท่านสามารถที่จะนึกถึงหน้า ค่อนข้างเยอะๆนิดนึงนะครับเพื่อแสดงความรู้ยากจึงเป็นเรื่องที่ละยากด้วยก็ละได้ยากคนที่จะละโมหะได้ การรู้กับการละนั้นเป็นของต้องคู่กันที่ท่านเรียกว่าเอ่อปหานะปานะคือการละกับสัจจิกะคือการเข้าไปกําหนดรู้เนี่ยนะว่าทําไมถึงถึงรู้ยากทําไมโมหะ 1 ก็คือเป็นสภาวะ คือแปลว่าตัวมันเองเนี่ยมันปิดมันปิดทั้งโดยตัวมันเองเหมือนกับความมืดความมืดนั้นเราเข้าใจมันยากนะเพราะว่ามันทําอื่นด้วยที่เราพึงจะรู้ด้วย ส่วนตรงกันข้ามกับข้อที่ 1 นี้ว่าปัญญานั้นมีสภาวะเปิดเผยท่านสังเกต รับร้องว่าไม่ผิดรองว่าไม่ผิดถ้าผิดนั่นแปลว่าคนตรวจทดสอบผิดบางครั้งนี่เราอาจจะรู้ในขนาดนี้เพราะอะไรเพราะว่าปัญญานั้นเป็นตัว ครอบงามด้วยนี่เป็นประการที่ 1 ครที่ทําให้โมหะนั้นโดยตัวมันเองแล้วเข้าใจยาก อุเบกขาเวทนานั้นเป็นเวทนาอย่างหนึ่งใน 3 อย่างคือเวทนา 3 อย่างก็คือสุขเวทนาหรือโสมนัสสเวทนาก็เรียกทุกขเวทนาหรือโทมนัสสเวทนาก็เรียก 2 เวทนาเบื้องต้นนี้ถือว่าเป็นเวทนาหยาบเห็นได้ง่ายเวลาเราทุกข์เนี่ย แต่เวลาเกิดอุเบกขาเวทนานั้นเห็นยากเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน 2 เท่านั้นแหละคือสุขกับทุกข์พระอีกองค์หนึ่ง 3 มีอุเบกขาด้วยเอ่อที่เถียง แล้วเราถึงบางทีถึงกําหนดค่าว่าเวลาเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราสุขหรือเราทุกข์เราชอบหรือเราไม่ชอบเราก็จะต่อตัวเองว่าบางครั้งเราก็ชอบเหมือนกันชอบที่จะอยู่เฉยๆสําคัญความเฉยๆว่าเป็นความสุขแต่บางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ดีเช่นเราฟังธรรมะแล้วเฉย จะได้มากๆกันแล้วก็คงไม่อยากจะฟังกันเห็นนะครับว่ามันหน้าตามันอาจจะออกไปใน นะครับอันนี้ไม่ต้องพูดอธิบายทั้งหมดข้อ 4 นั้นอันนี้จะกล่าวพาดทิ้งไปถึงโมหะที่เกิดขึ้นกับ <หม. S 1> จะพูดภาษาอภิธรรมชัดเอกเทศนะครับแปลว่าไม่ได้สัมปยุตกับกับโทสะนะทีนี้ผมกําลังจะบอกว่ากับโลภะก็ตามคือเกิด โอปมาเหมือนกับคือบางทีเราเหมือนจะไม่สนใจทั้งๆที่มันเนี่ยมีความสัมพันธ์มีความ แต่เราก็ไม่ได้ถือว่าจอภาพพยนตร์มีๆว่ากี่มิลลิเมตรก็แล้วแต่นะครับเราก็ กระดานดำไอ้ตัวกระดานดำนั้นเป็นที่รองรับเหมือนกับโมหะนะงั้นถ้าเราไปนั่งดูกระดานดำเฉย ที่เราใช้สําหรับเขียนภาพก็ยิ่งจะภาพเหล่ารู้สึกว่ามันกลับนะฮะแล้วผม พูดกันแบบนักเรียนอนุบาลไปสักนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันอนุบาลเรื่องสูงก็เลยพอพอได้ ตัณหานี่เป็นตัวชัดที่สุดแคนกระดานนั้นท่านก็จะบัญญัติเรียกว่าโลภะมูลจิตเพราะเรียกตามภาพ แห่งความอิจฉาหรือสยาความเฝ้ามองเหล่าร้อนใจอ่าที่เกิดอยู่ในนั้นรวมทั้งความตนติดเหนียวด้วยก็ปรากฏบนจอแห่งโมหะเราก็จะเห็นแต่หน้าที่เกิดในฐานะที่เป็นฉากให้กับอกุศล 2 พวก มันก็ไม่ได้เกิดแต่เพียงโมหะล้วนๆ 100% คือไม่ใช่เป็นกระดานเปล่าๆเฉยๆเพียงแต่ว่ามันมีภาพน้อยลงภาพนะครับว่า มีตัวอื่นแต่ตัวอื่นนั้นไม่ถึงกับเป็นว่าโมหะวิจิกิจฉาบ้างท่านคงจะต้อง คือความโง่ที่เกิดขึ้นพร้อมกับความคิดองค์สารแปลว่าโมหะมูลจิตที่เกิดอย่างชนิดที่นี่เพราะฉะนั้นก็ ยากทั้งทั้ง 3 ส่วนแหละทั้ง 2 ส่วนแต่แรกที่เราเรียนมาแล้วก็ยาก แล้วก็จะพูดถึงสภาวะของโมหะให้เข้าใจค่อนข้างจะมากไปนิดนึงเอ่อคืออย่าง และชื่อที่เราค่อนข้างจะได้ยินคุ้นๆบ่อยๆนี่นะครับก็จะมีอยู่ 5 ชื่อนี้ชื่อทั้ง หลงผู้หญิงหลงผู้นะฮะจริงๆแล้วอาการของความหลงไม่อันๆซึ่งก็ หรือแปลว่าเขลาหรือแปลว่าโง่เขลาคู่กันไปเรียกว่าโมหะก็คือความโง่เขลานั่นก็แปล หรือแปลว่าแจ้งหรือแปลเอาความว่าจริงก็ได้เพราะรู้แจ้งก็ย่อม ในเป็นอาวิชาหรือไม่คนตาบอดทั้งสองข้างนอนหลับสนิทเป็นอวิชชาหรือไม่ เพราะคําว่าอวิชชานั้นอย่าไปอธิบายในรูปของความฟังไม่ได้ยินเป็นอวิชชานี่ไม่ใช่นะแต่หมาย สัมผัสถูกต้องอยู่ก็ไม่ได้รู้ปฏะภังค์อ้าวเดี๋ยวไอ้ปรมัตถธรรม 4 เนี่ยพยายามจะ เราว่าที่เราๆวันนี้จะเป็นภาพเพี้ยนทั้งๆเห็นภาพที่ไม่ๆแล้วเราคนนึกว่ามันเป็นจริงเนี่ยมัน ถ้าเราไม่มีประสบการณ์ไม่มีการศึกษาๆความจริงมันอาจจะใหญ่ สิ่งที่เรารับรู้อยู่นั้นมันมีความจริงอยู่สักกี่เนี่ยเราก็คิดว่าเรารู้ความจริงเยอะ โง่แล้วไม่รู้ตัวเองโง่นะฮะนี่เป็นเป็นธรรมดายิ่งพิจารณายิ่งยิ่งเข้าใจยิ่งยอมรับท่านในหลักการตรงนี้คืออวิชชาไม่ได้แปลขณะไม่รู้อะไรเพราะอวิชชาจะเกิดเมื่อรู้เมื่อมี เราอาจจะมีปัญญาอย่างที่เราจะพูดกันอันทะนะเสียงนี้ถ้าออกเสียงโดยไม่เห็นตัวอักษรบางคนไป นอเนนแล้วก็ถอทหารออกเสียงว่าอันทะแต่แปลว่าไกลอย่างเช่นอันทชากําเนิดแปลว่าเกิดที่ไกลอย่างเนี่ยท่านต้องการจะพูดเป็นเชิงเปรียบ ติกานิบาตอังคุตตรนิกายในคัมภีร์ปัสสูจก็ดีในติกานิเทศคัมภีร์วิรัติธรรมก็ดีท่านแจก 3 พวกโดยเปรียบเป็นเอกัจจกษุเอกัจจกษุน่ะแปลว่ามี อันภาพแปลว่าบอดที่ชื่อของหมอเอกาว่ามีตายันเนื้อหาทางโมหะด้วยนะว่าอธิบายอย่าง พูดเป็นภาษาๆอยู่อย่างเดียวเท่านั้นครับคือเพื่อทํามา นั้นจุดหลักของสติปัญญาทางโลกเนี่ยอันนี้เป็นปัญญาเหมือน เป็นปัญญาขั้นหนึ่งเรามีความสามารถพิเศษมีการสังเกตสังการณ์ศึกษาๆนี้ถือว่าเป็นปัญญาขั้นหนึ่งเอ่ออันนี้ถ้าอาจยังไม่ ไม่มีปัญญาในทางธรรมคือในเรื่องชีวิตในเรื่องที่นอกเหนือจาก เวลาเกิดความทุกข์คือแค่ในปัจจุบันเรียกว่าเงินทองหรือปัจจัย ของเขามีอยู่แค่นั้นในส่วนนอกเหนือจากนั้นมีอยู่แค่นั้นในส่วนนอกเหนือจากนั้น 2 คือผู้ที่มีตา 2 ข้างนี่หมายถึงก็เห็นจะ นะครับบางคนก็อาจจะสร้างมานานแล้วดีขึ้นมากแล้วกระทั่งนะอันธะจักขุแปลว่าตา ตาบอดแล้วต้องหมายความว่า 2 ข้างถ้าบอดข้างนึงท่านเรียกว่าเอกัจจกสุดีข้างเดียวคือท่านไปเรียกในมุมบวชนะว่าดีข้างเดียวแต่ว่าคนไหน โดยสักอย่างเดียวนี่เป็นคําประกาศโมหะทั้ง 2 ส่วนทั้งในส่วนโลกและบางคนก็ สว่างมาสว่างไปมาสว่างไปบางคนก็สว่างมาแต่ เอ่อปัญญาก็ดีโมหะก็ดีย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัย นะฮะแล้วก็มากับเหวยผลของความชั่วในชาตินี้ก็ทําให้ชีวิต ไดกานึงเป็น 2 ตาปล่อยแต่เถอะชื่อว่าของคนเราก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วก็บวชเข้ามายังได้ฌานถูกความโง่เขลาเข้าครอบงำอกุศลทั้งหลายก็เกิดเมื่อเกิดก็ไป อวัยวะไม่ได้ใช้ในฐานะที่เป็นข้อธรรมแต่เป็นข้อต้นๆนอกจากปรากฏปัญญาปัญญานะฮะปัญญาเรียกว่าสุปัญญาบ้างปัญญาบ้าง 3 คํา 3 ไม่ปัญญาดีน้อยนะแปล นะฮะไม่มีปัญญาท่านเปรียบว่าเหมือนกับคนรูป 3 เนี่ยไม่ได้แปลว่ารูปหล่อน้อยๆเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่ รายละเอียดโดยลําดับว่าโมหะมูลจิตนั้นท่านแบ่งคือโมหะที่ประกอบด้วยอุเบกขากับคือวิจิกิจฉาที่แปลว่าคืออุเบกขา นี่โมหะที่เกิดเอกเทศนั้นให้กําหนดว่าโมหะที่เกิดเอกเทศนั้นเอกเทศแปล แต่โมหะนั้นไปเกิดอยู่ในโลภะมโนจิตนี่เมื่อใดที่อริยธารมคืออารมณ์ไม่ดีมากระทบตอน ที่ไม่ใช่เป็นคนเจริญสติไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติธรรม อาจสังเกตง่ายๆว่าเมื่ออารมณ์ดีมากระทบ 8 ดวงก็ที่ที่ก็ต่อไปได้ เมื่ออารมณ์กลางๆมาวันวันหนึ่งของเราเนี่ยนั้นยันหลับตาตอนนอนทําให้เรา เลี้ยวซ้ายก็ดีเลี้ยวขวาก็ดีได้ยินอะไรก็ดีหมดดมอะไรก็ดีหมดขับรถออกมีใครปาดหน้าแรงซ้ายแซงนะฮะ ถ้าไปตูนถามท่านอีกก็อาจจะได้รับคําตอบเนี่ยอาจจะ ไอ้ว่ามันมันมาเปลี่ยนรถเหมือนกินยาเปลี่ยนรถทั้งๆที่รถน่ะดีนะ เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆพูดดีก็แปรเป็นไม่ดี แต่เพราะจะมีในโลกอื่นชีวิตอย่างนี้มีบ้างไหมพอจะมีในโลกอื่นบ้างมั้ยถ้าจะถามในครับว่าพระเทวทัตที่ตกอยู่ในอเวจีเรื่องเรื่อง นี่ว่าโดยพฤติกรรมที่เห็นอย่างหยับๆแต่เมื่อวิเคราะห์ อารมณ์ที่เป็นอิฐาลมตลอดอนิฐาลม 3 อารมณ์นี้ท่าน 1 มีอารมณ์เป็นหรือ 2 มีอารมณ์เป็นที่หรือ 3 มีอารมณ์ที่ท่านรับแล้วรู้สึกเฉยๆมากกว่ามากที่สุดอ่ะๆอารมณ์ท่านโวเลาะมากกว่านั่ง เราใจเฉยๆมากใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าในชีวิตของเราเนี่ยเรามีโมหะสุดจริงมั้ยเกิดมากที่สุดเลยแต่ปราดครับมันเกิดกับเรานี่ท่านเรา อยู่เฉยๆแล้วไม่มีอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจหรือไม่น่าบางดวงนั้นบางคนอาจจะแทบจะไม่เคยจะได้เกิดนะครับ หรือไม่ไม่เป็นอุเบกขาหรอกเหรอบางคนบอกต้องทําใจเฉยๆเฉยๆเราอยู่แล้วนี่อะเฉยเนี่ย กับญาณอุเบกขาแปลว่าเฉยฉลาดเฉยโง่กับเฉยเนี่ย ดังเช่นคนที่มีความยุติธรรมทรงบริหารคั่น คือเป็นการวางเฉยคือไม่เข้าไปแก้ไขและไม่เข้าไปคิดอ่านอย่าง มีอารมณ์ดีมากระทบถ้าเราไม่วางเฉยเกิดโลภะแต่เมื่อเราวาง แต่ถ้าหากว่าเฉยแบบนั่งอยู่คนเดียวถ้าหากว่าเฉยแบบนั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียว เกิดความรู้สึกเฉยๆเนี่ยถ้าเราเรียนแล้วเรารู้ตะโมสะโทสจิตจิตมีโลภะที่เรียกว่าราคะจิตในที่ ถ้าเรามีสติมีความพยายามอันหนึ่งที่เป็นกุศลเป็นกองเข้าใจเข้าไปดูมันแล้ว เป็นส่วนใหญ่ครับโมหะก็เกิดได้น้อยโลภะก็เกิดได้น้อยโทสะ ในเทียบให้ฟังว่าถ้าเกิดในโมหะจะประกอบว่าเฉยหรือไม่เฉยถ้าเป็นทุกข์ก็ใจ อีกในสองตัวนี้หนึ่งประกอบด้วยธรรมหน่อยนะ เนี่ยมันจะไปออกออกไปทางรูปนั้นเป็นรูปทาง คือเราอุทธัจจะในตรงนี้เราต้องพูดกันเยอะเราเอาอุทธัจจะ ไปเนี่ยไม่มีอะไรมาชวนให้เราติดตาติดใจและ บางคนบอกกับผมสาปเลยแล้วยังสอนผมว่าอย่าไปนะถ้าจะ มันเต็มไปไอ้เรื่องที่ชวนตื่นเต้นกลัวให้เกิดความกลัวความตกตกใจเนี่ยนะฮะตอนนี้สมมุติว่านึกนึกเรื่อยๆไปนะเออตรงนี้ เป็นร้านอาหารอันนี้กลายจะสร้างเป็นศูนย์การค้าไปซะแล้วเป็นโมหะอุทธัจจะคือคิดเรื่อยเปื่อยทีนี้คําว่าอุทธัจจะเนี่ยตรง แต่ความหมายจริงความหมายจริงๆของตรงนี้นั้นหมายถึงๆทํานองนี้เป็นโมหะอุทธัจจะในความหมายนี้น่ะแต่ถ้าคิดพุ่งซ่านในลักษณะที่ว่า แล้วก็ถ้าคิดวางแผนเดื่อมอํานาจของความโลภความอยากได้วางแผนคิดอ่านเพื่อจะทําอย่างนั้นอย่าง ความรู้สึกก็ใช้ไม่ได้หมดแต่ความรู้สึกเราเนี่ยถ้าเราฟุ้ง ต้องไปหาหมอมั้ยไม่ต้องใช่เที่ยวในที่ที่แต่ก่อนแต่ว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นน้อยถ้า ในถ้าระดับอย่างเราก็ไม่ว่ากันสูงนะถ้าระดับอย่างเราก็ไม่ว่ากันก็คิด โทสะอุทธัจจะเกิดในโทสะรับงานต่อไปทีนี้ถ้าสมหวังสมหวัง เราไปเอาคนมาไปเอาคนมามามาเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ลูกอยากได้แต่ลูกยังไงลืมคิดเออได้ลูกกี่อยู่ในใจลูก สาบานว่าผมก็เคยบอกบางคนแล้วหลายปีต่อนะฮะเค้า ก็ขอให้นึกซะว่าคุณเราเนี่ยเป็นคนเอ่อเป็นคนของ <c oughs> บวชตั้งหลายปีก็ทั้งทั้งฝึกฝึกแล้วเค้าก็ติดตามมีลูก 2 คน เขาก็เลยดีใจกลายเป็นสิ่งดีไปเลยดีใจสมหวังแล้วกลายเป็นผิดหวังไปนะก็คงแกก็คงจะนอนเอามือก่ายหน้าปากหลายที่เนี่ยได้มาก็เหมือน ถ้าเป็นเรื่องที่เราตัดใจไม่ได้เป็นเรื่องที่เราตัดใจไม่ได้ก็ทําให้เกิดความวุ่นวายประกอบด้วยโทสะนะฮะบางอ่าคงจะต้องติดเอาไว้ ตอนนี้เราฟุ้งฟุ้งในโลภะหรือฟุ้งในโทสะ ในโทสะนี่เท่าที่ตาโลกรู้สึกนะทําให้นอนไม่มูลหรือเปล่า มีโลภะเป็นมูลทั้งนั้นผมกล้าให้ท่านยกว่าท่านพุ่งในโลภะเอ่อ นะและอกุศลทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเป็นเนี่ยอย่างที่เราเข้าใจเรา ปล่อยให้จิตส่วนใหญ่ของเราเป็นโมหะอุตตัจจะโมหะอุตตัจจะนั้นเป็นตัวประกาศความเป็นผู้ แต่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรที่เย้ายวนให้จิตตื่นเต้น มันก็จะเกิดขึ้นเป็นจังหวะๆเช่นตอนสมาทานตอนหลีก ทำบาปสติเข้าไปไปแตะเพิ่มบาปลดบาปลดบาปกันมีความทุกข์สติเข้า เมื่อเวลาเรานอนเรานั่งคิดเลื่อยเปื่อยทําไมเรียนธรรมะเราไม่ได้ มันก็คิดโยงกันไปกันไปกันไปกันไปกัน ถ้าท่านคิดเลื่อเตื่อยเนี่ยมันแปลว่ามันเป็นฐานะรองจริงมั้ยหัวใจเรากําลังตกตกหรือตกแก่แล้วใช่มั้ยแกจ๊ะเอ๋อกใจ เอาเป็นยกตัวอย่างชัดๆเลยอย่างเรื่องราวในสมัยก่อนแม้สมัยนี้ก็คงยกตัวอย่างได้เรื่องพระนะคําว่าประมาทน่ะแปล จึงคิดดูถ้าเรากําลังฟุ้งหรือคิดเลื่อยเปื่อยในตกใจมั้ยตกใจใช่มั้ยหรือกําลังคิดเลื่อยเปื่อยอยู่ๆนางฟ้าลงมา ที่บวชมาจากอ่าวงฤชาหวีไปอยู่ในกระท่อมในป่าแต่ว่าเป็นราวป่าอยู่ มีเสียงเพลงเสียงขับร้องในแจ้วโชยมาเข้าหูเป็นระยะระยะ อ่านางกษัตริย์องค์นั้นองค์นี้ก็คิดเลื่อยไปเลยแล้วคิดไปถึงขนาดไหนคิดไปถึงเราพูดถึงว่าสําหรับท่านที่ต้องศึกษาหา ก็เห็นจะเรียกว่าเห็นจะเรียกว่าขาดสติไม่ได้ดูแลตัวเนี่ยสามารถที่เข้าไปควบคุมโลก แต่ถ้าความโล่งของเราไม่ค่อยคุมนะครับจ้องจะคุมคนอื่นก็ไม่ไปงานนั้นงานนี้ไปเป็นรัฐบงรัฐบาลแล้วเนี่ยจะกิน แสดงให้เห็นว่าคนนั้นมีกําลังแห่งสติ ถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเลยก็ไม่นะเพราะว่าเรายังต้องอยู่ในโลกนี้เราก็รู้จักนี่อ่านี่ โมหะอุทธัจจะคือความคิดสงสัยไปในขณะที่เรากําเกิดความคิดสงสัยวิจิกิจฉาคือความคิดสงสัยเราเนี่ยสภาวะจิตตอนนั้นของ ยินดีพอใจมีบ้างไหมตอบตอบว่าจริงหรอกแล้วก็มาถือว่าผิดตําราด้วย 2 เกิดความ อันเนื่องจากว่าท่านแบ่งความสงสัยไว้เป็น 2 ความสงสัยอย่างเป็นปฏิรูปกะวิจิกิจฉาปฏิรูปนั้นแปลว่า คนไม่สงสัยเลยเนี่ยมีอยู่คน 2 ประเภทประเภทต่างๆเลยอากาถังนทีคือผู้ก็อรหันต์ไปเลยอันน่ะท่านทั้งเราก็ว่าเป็น นะเชื่อว่าเราฟังมาเหมือนเรียกลงบนโดดงงมากหรือน้อยมากถ้าบังเอิญอาจารย์นั้นมีความเข้าใจมีทัศนะในทางธรรม มันเรื่องเดียวกันคนน้นพูดอย่างนี้คนนี้ว่าที่ท่านจะทําตัวเป็นสมาธิ์เอื้อนชงสายนะท่านก็ไปตั้งหลักวินิจฉัยนี่ไอ้คนสมุทรท่านฟังเนี่ย แต่ถ้าคิดเกี่ยวกับสงสัยถือว่าเป็นคนที่มีปัญญานะความยืนดีว่าเออเราค้นๆได้เราก็เกิดโสมนัสว่าเรา ว่าแม้แต่ธรรมะก็ยังมีมีครับมันเป็นปัจจัยไม่ใช่ว่าสงสัยตอนสงสัยน่ะเป็นบุญเกิดจากบุญแล้วก็เป็นปัจจัยให้กับเกิด ทำไมสงสัยเลยเฮียมันก็ไม่มีไม่มีที่ 3 มิตรเนี่ยตรงโอ้โหผมสงสัยผม 1 ก็มีอยู่ เมื่อก่อนไม่มีครับก่อนไม่มีครับสงสัยเราก็คิดโคนไม่รู้จะไปถามใครตัวที่จะถามได้ก็อยู่โน่นอบแล้วแม้เราเราสงสัยหลาย ตราบก็คงจะหาให้จับตัวไปแล้วที่มันก็รอดปากเดียวไม่อุ่นใจนะฮะจึงรู้สึกว่าแมะอยากจะเจอนักปราชญ์ละกันจึงจะถามโนนถาม เป็นไปในอาการของโมหะนะไม่เป็นกิเลสอย่างนี้ไม่เป็นกิเลสอย่างนี้แต่ว่ามัน อาจจะยังไม่กระจ่างว่าทําไมเวลาถ้าไปเจอนี้อย่าสิสงสัยนะครับพูดเนี่ยเนี่ยอกติเนี่ยสงสัยในพระเจ้าอ่ะ เดี๋ยวเราคงจะต้องไว้พูดกันในรอบหลังแล้วก็แผนหลังพอดีนะตอนนี้เรา ก็มีอยู่สองด้านมีอยู่ 2 ด้านเราจะดูควบคู่กันไป 8 อย่างกับวิจิกิจฉา 8 อย 8 อย่างนั้นก็จริง ฉัพพรรณเป็นวิถีชาติที่เป็นกิเลสนั้นมีข้อบังคับว่าจะเกิดใน 8 อย่างซะก่อน 8 อย่างคือ 1 ความ 2 ความสงสัยในพระ 3 ความสงสัย ที่ความสงสัยในผิกขาบทอ่าความสงสัยในอดีต 6 ความสงสัย 7 ความสงสัยในทั้งอดีตและอนาคตอ่ามีออกแล้ว 8 7 แล้ว ก่อนความสงสัยกับความเห็นผิดนั้นเราต้องแยกความสงสัยกับความเห็น ข้อแตกกับทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐินั้นต่างกันตรงนี้อ่ะถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นเป็นความคิดที่ลงความเห็นลงๆทั้งหลายทั้งปวงนะฮะ มี 3 จึงเป็นความคิดที่แน่ชัดไม่มีความคิดที่เห็นปักลงไปว่า มีความยึดในความเห็นความยึดในความเห็น อ่าเอาอยู่ตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคนคนเล่นการพนันจะเล่นนั้นจะยินดีว่าได้ถูกรางวัลนี้ยังเกิดไม่ได้น่ะใน นะเกี่ยวกับเรื่องนั้นผมต้องย้ําให้ชัดว่าถ้าเป็นยินดีในส่วน ฤาจะไปยินร้ายอีกทีนึงก็เมื่อสํานึกผิดว่าเอ๊ะเราเห็นผิด 8 ข้อ ท่านบังไว้เป็น 2 ชั้นนี่พูดถึงในชั้นหลังถ้าในชั้นแรกเนี่ย เคยขั้นพอมาในรุ่นหลังไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นจริงหรือเปล่า บางคนไม่เชื่อว่าตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีพวกต่างศาสนา แต่ที่ไม่ใช่เอ่อในรูปของตำรับตําราข้อบันทึก ผู้ที่เรียกว่าพระสมณโคดมพุทธเจ้านั้นอ๋อจะมีจริงอยู่หรือเจ้าชายสัคยะบุตรมีอยู่ ตัสรู้คําว่าตัสรู้น่ะแปลว่ามีญาณรู้เนี่ยความจริงก็เป็น คนไอ้ความเข้าใจกันในทางภูมิปัญญาเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับคน แต่ขั้นพอเราได้สนทนาปราศัยได้อ่านผลงานนะรีบจะไปขอดูอวัยวะเข้าที่เท้าที่มือที่ ธรรมเนมหมายถึงธรรมที่ท่านเข้าถึงด้วยปัญญาของท่านโทนั้นก็แปลว่าถ้าคนเข้าใจธรรมเชื่อในธรรมก็จะเข้า ข้อนี้แหละครับจะทําให้เรายิ่งศึกษามากยิ่งละความสงสัยได้ ก็แปลว่าเราน่ะเหมือนคนยืนอยู่ขึ้นๆต่างๆท่านสอนให้เราถือเอาความมั่นใจในส่วน <grassroots> โอจริงเลยไม่ไม่เราพี่สูตรได้อื่นเอ้าหรือว่าต่อมาเราพิสูจน์ได้ว่าทรงสอนๆนะๆก็ระลึกทนรลึกชาติบ้างหรือบางคนก็โชคดีได้ระลึกชาติได้ตัวเองบ้างแต่ ได้ความอุ่นใจเกี่ยวเรื่องนี้อ้าวหรือบางคนไปทํากรรมฐานแล้วได้ได้เกิดเป็นอะไรต่ออะไรมาก็มี ว่าเขาใช้ไม่ได้ 2 เรื่องก็ปิด 3 เรื่องก็ปิดแปลว่าข้อที่ 1 เขาบอกว่าจริงมั้ย เค้าก็บอกว่าบางทีผมก็จับไม่ได้บางผมก็จับได้ท่านเค้าบอกว่ามีอยู่ที่หนึ่งนะที่รู้จักกับสำนักก็ดีผมไม่ชื่อท่านรู้จักแล้วก็มีการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง ได้ให้ดูดีว่าผมเขียนว่าไงนะใครดูเงินในกระเป๋าผมดีว่ายังไงเขาก็รับพิสูจน์แต่ปรากฏว่าทายไม่ถูกสักพึงทายไม่ถูกสักเรื่องนึงทายอย่างนี้เนี่ยผิดมั้ยที่ผมจะไม่ไม่ ถึงมันไม่มีหลักฐานที่จะมายืนยันได้ว่าเราได้อุ่นใจได้อ่ะบอกให้ติดต่อเทวดาเชิญมาอย่างนี้เกี่ยวได้ ผมบอกว่าถ้าอาจารย์จะพิสูจน์เนี่ยผมก็จะไปขอรองของถึงผมก็เกรงใจคนพวกนี้ <laughs> อันนี้ค่ะนี้อ่ะครับจึงเป็นหลักของเรียกว่าความเข้าถึงในทางปัญญาจะทําให้ละความสงสัยเพราะไอ้เนี่ยแปล เดี๋ยวเรามาพูดเหตุผลว่าทําไมจะต้องมา เราก็ไม่สงสัยว่าทรงสอนจริงไม่สอน เราอาจจะพูดได้ว่าอาจก่อให้เกิดความคลาดขนาด ก็เรียนอาจารย์โจทย์ข้อความข้อความสั้นๆให้คนแรกดูๆกันมาพอมาถึงคนหลัง 2,000 กว่าปีข้อความต้องโหมะไตไป กับแม่แล้วแม่ก็ลูกก็เถียงกันน่ะประชาส่งลูกไปเรียน <c oughs> พอมาถึงยุคจารึกยุคจารึกเนี่ยเค้าเอาเวลาจารึกปฐพีดลกแล้วก็จะส่งไป เพราะอันนี้ผิดหลักไวยากรณ์เค้าก็จะแก้ได้ดูหลักไวยากรณ์รู้ว่าใช้ไม่อย่างไรนั้นก็รักษากันมาอย่างนี้แล้วก็มีการจารึกไว้ในเอ่อพวกศิลาจารึกอย่างกษัตริย์พระมหาเคยทําสมัยก่อนอันนี้ก็ทําให้มั่น อย่างสมัย พ.ศ. 200 เนี่ยก็มีหลักฐานที่จะ